แนะนำบทอัลยินบทอัลยินเป็นบทมักกิยาะมี28องค์การบทได้กล่าวถึงการที่ยินจำนวนหนึ่งได้ฟังการอ่านอัลกุรอานพวกเขาได้ทราบซึ่งในสิ่งที่มีในอัลกุรอานเช่นความสละสลวยในสำนวนจนกระทั่งพวกเขาได้ศรัทธาต่ออัลกุรอานทันทีที่พวกเขาได้รับฟังและได้เรียกร้องกลุ่มชนของพวกเขาไปสู่การอิมาดบทนี้ได้เปลี่ยนไป กล่าวถึงการให้เกียรติและการให้ความบริสุทธ bon ิ์ของพวกเขาแด่อลลอฮ์การให้เอกภาพแด่พระองค์ด้วยการเคารพพักดีบทนี้ได้กล่าวถึงการแอบฟังของยินการห้อมล้อมชั้นฟ้าด้วยยามเฝ้าจากมาเลเซียการส่งเปลวเพลิงแก่พวกยินหลังจากการแต่งตั้งรอซูลสัลลัลลอฮฺอะลัยฮิสแลลัมและการประหลาดใจของพวกยินต่อเหตุการณ์ที่น่าประหลาดนี้บทนี้ได้กล่าวถึงการแบ่งพวกยินออกเป็นสองพวก คือยินศรัทธาและยินผู้ปฏิเสธศรัทธาและบรนปลายของแต่ละพวกหลังจากนั้นบทนี้ได้เปลี่ยนมากล่าวถึงการเรียกร้องของทัศนลศรัลลอหัวไหล่หัวสันลังและการห้อมล้อมของพวกยินรอบๆตัวท่านขนาดที่พวกเขาได้ยินท่านอานอัลกุรอานบทนี้ได้จบลงด้วยการชี้แจงขอบเขตอำนาจของอัลลอฮ์ด้วยการรอบรู้สิ่งเร้นลับและการห้อมล้อมของพระองค์โดยการรอบรู้ทุกสิ่งที่อยู่ในจักรวาล ด้วยพระนามของอลัลลอ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออ ي ي จงกล่าวเถิดมูฮัมมัดว่าได้มีองค์การมายัางฉันว่า แท้จริงพวกยินจำนวนหนึ่งได้ฟังชันอ่านอัลกุรอานและพวกเขากล่าวว่าแท้จริงเราได้ยินอัลกุรอานที่แปลกประหลาดลบบา น, นาํมมดน า, านไปสู่ทางที่ถูกต้องดังนั้นพวกเราจรึงศรัทธาต่ออัลกุรอานนั้นและเราจะไม่ตั้ง เเป็นพาาาีต่อออรระผู้ภิบลขงและความจริงนั้นความยิ่งใหญ่แห่งพระผู้อภิบาลของเรานั้นทรงสูงส่งยิ่งพระองค์ไม่มีพัญญาและบุตรและแท้จริง คนโง่ในหมู่พวกเราได้กล่าวร้ายต่ออัลลอ์อย่างเกินเหตุว่ละท่าริงเราคิดว่ามนุษย์และยินจะไม่กล่าวเท็จต่ออัลลอฮ์เป็นอันขาดละท่าทิง และแท้จริงมนุษย์บางคนเคยขอความคุ้มครองจากยินบางตนดังนั้นพวกเขามนุษย์จึงทําให้พวกเขายินเพิ่มการหยิ่งจงหอง ม, มากขึ้นและแท้จริงพวกเขามนุษย์คิดเช่นเดียวกับที่พวกท่านยินคิดว่า อโลดจะไม่ทรงแต่งตั้งกูใดขึ้นเป็นศาสนาทูตและถ้าจริงเราได้ค้นคว้าหาข่าวณชันฟาแต่เราได้พบหน้าที่นั้นเต็มไปด้วยยามเฝ้าผู้เข้มแข็งและเละถ้าจริงเราได้ค้นคว้าหาข่าวณชันฟาแต่เราได้พบหน้าที่นั้นเต็มไปด้วยยามเฝ้าผู้เข้มแข็งและเปลือยเปลือก และถ้าจริงเราเคยนั่งหน้าสถานที่นั่งในท้องฟ้านั้นเพื่อฟังแต่ขณะนี้ผู้ใดนั่งฟังก็จะพบเปลวเพลิงถูกเตรียมไว้สำรับพวกเขาและถ้าจริงเราไม่รู้ดอกว่า ความชั่วร้ายนั้นจะให้มีขึ้นแก่ผู้ที่อยู่ในแผ่นดินนี้หรือว่าพระเจ้าของพวกเขาปรารถนาแนวทางที่ถูกต้องแก่พวกเขาและแท้จริงในหมู่พวกเรานั้นมีคนดีและในหมู่พวกเราก็มีคนอื่นจากนั้นพวกเราอยู่ในแนวทางที่แตกต่างกัน และแท้จริงเราคิดว่าเราจะไม่รอดพ้นจากการลงโทษของอัลลอในแผ่นดินนี้และเราจะนีไม่รอดค้นไปจากพระองค์ ตยูีฟลยะคาบะคซาวะลาเริงเมื่อเราได้ยินอัลกุรอนเราก็สรัทาต่ออัลกุรอานนั้นฉะนั้นผู้ใดศรัทาต่อพระผู้อิบาลของเขาเขาก็จะไม่หวันเกรงต่อการขาดทุนและความอายุติธรรมว่าอันนามินลัมุสลิมูนวะมินลัลกอสิกูน และแทาจริงในหมู่พวกเรามีผู้ที่เป็นมุสลิมและในหมู่พวกเรามีผู้ที่หันเหออกจากความจริงดังนั้นผู้ใ ด, ดนอกน้อมชนเหล่านั้นได้มุ่งสู่แนวทางที่ถูกต้องและส่วนบรรดาผู้ที่หันเหออกจากความจริง พวกเขาก็เป็นฟืนของไยนรกและหากพวกเขาดำรงมั่นอยู่บนแนวทางที่เที่ยงธรรมแน่นอนเราก็ใช้พวกเขามีปัจจัยอย่างชีพที่กว้างขวางรบบล เพื่อเราจะได้ทดสอบพวกเขาในเรื่องนี้และผู้ใดหันเห อ, ออกจากการดำลึกถึงพระผู้อภิบาลของเขาโปรง่งใจเขาได้รับการลงโทษอันแสนสาหาัสแล้วว่าบรรดามสัสยิดนั้นเป็นของอัลลอฮ์ ดังนั้นพวกเจ้ายาวิงวอนขอผู้ใดเคียงคู่กับอัลลาอฮฺและแท้จริงเมื่อบ่าวของอัลลอฮฺมัวหมัดยืนขึ้นกล่าววิงวอนขอต่อพรลงพวกเขายินก็ได้ห้อมล้อมเขาอย่างหนาแน่นแลอินเมื่อบ่าวของอัลลอฮฺมัวักล่าิอนขอตอบพรลง จงกล่าวเถิดมฮัมหมัดว่าแท้จริงฉันจะวิงวอนขอต่อพระผู้อภิบาลของฉันและฉันจะไม่ตั้งผู้ใดเป็นภาธีต่อพร้องจรรงกล่าวเถิดมฮัมหมัด ว่าแท้จริงฉันไม่มีอำนาจที่จะให้คุณให้โทษแก่พวกเจ้าทรนนงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าไม่มีผู้ใดจะคุ้มครองฉันให้พ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์และฉันจะไม่พบที่พึ่งอื่นใดนอกจากพระองค์ั เว้นแต่ฉันจะเผยแผ่สิ่งที่ได้รับจากอัลลอฮ์และสารของพระองค์และผู้ใดฝ่าฝืนอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์แท้จริงสำหรับเขานั้นคือไฟนรก โดยจะเป็นผู้ความนักอยู่ในนั้นตลอดการถ้าอิดาร أ วมายูดูนะสย่ عل ูลมันอ ضع ฐนาศรัววะอักลอดดาต่องกระทั่งเมื่อพวกเขาได้เห็นสิ่งที่พวกเขาได้ถูกสัญญาไว้แล้วพวกเขาก็จะได้รู้ว่าใครเป็นผู้อ่อนแอรยิ่งในการเป็นผู้ช่วยเหลือ และมีจํานวนน้อยกว่าคุลอินอัจรีอักรีบนาทูอัดูนอันยาจ ع ละหูรับบีอัมดาตงกล่าวเถอดมอมัดว่าฉันไม่รู้สิ่งที่พวกเจ้าถูกสัญญาไว้นั้นใกล้ายหรือย่างหรือว่าพระผู้อภิบาลของฉันจะทรงกําหนดเวลาในการลงโทษนั้นให้ห่านไกลออกไปอาลิมุลไฮบิษาลายบดฮิร พระผู้ทรงรอบรู้สิ่งเร้นลับดังนั้นพระองค์จะไม่ทรงเปิดเผยสิ่งเร้นลับของพระองค์แก่ผู้ใดนอกจากผู้ที่พรูละองค์ทรูยสลุกมินบียดัยีเช่นฟิาิรอซูลนอกจากผู้ที่พระองค์ทรงยินดีเช่นท่านรอซูล ดังนั้นพระองค์จะทรงส่งผู้พิทักษ์เฝ้าดูแลข้างหน้าและข้างหลังเขาเพื่อพระองค์จะทรงรู้ว่าแน่นอนพวกเขาได้เผยแผ่สารของพระผู้อภิบาลของพวกเขาแล้วและพระองค์ได้ทรงห้อมล้อมรอบรู้ทุกสิ่งที่อยู่หน้าที่พวกเขา และองค์ทรงนับจำนวนทุกๆสิ่งไว้อย่างครบถ้วน